วันนี้เป็นวันนัดประชุมในระหว่างไม่ใช่วันพระเราเป็นสาวกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้่ยที่ผมเคยกล่าวเคยพูดว่าศีลและวินยัยถ้าพวกเราจะมีศีลยังมีวินยัยคุ้มครองพวกเราจะอยู่ในกฎระเบียบของพระธรรมวินยัย พวกเรายัางเคารพในหลักธรรมวินัยเรายัางศึกษาหลักธรรมวินัยมาปฏิบัติอยู่เราสำรวมในศีลในวินัยอยู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาหรือเราไม่ได้อยู่ในหลักธรรมวินัยพระไม่มีศีลวันนี้ทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลก พระพุทศาสนาก็เริ่มหมดลงไปหมดต่อไปไม่มีผู้อยู่ภายในจากนั้นก็กฎระเบียบไม่มีหลือก็มีแต่ทำคำสอนที่พวกเรายัางยกจ้องนับถืออยู่ต่อไปไปจืดจางหายไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดก็หมดเพราะไม่มีผู้พานำประพฤติปฏิบัติ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาสู่จุดนี้แล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจเราหาโอกาสจะนิหาได้ยากถึงจะเป็นเป็นโอกาสที่ขมคืนเป็นไม่เป็นที่พอใจเราก็ให้รู้ว่ากิเลสของเราภายในใจเนะี่ยมันต่อต้านมันไม่ให้ มันไม่ให้เราไปในทางที่ดีเราไม่ให้ไปในทางที่ถูกต้องลรากิเลสไม่เห็นเราไปในทางตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้แล้วท่านไปอยู่ในศึกษาอยู่ในป่าดวงพงไพ่คือหกปีนั่นแนะหะทําไมท่านจึงได้สู้กับนางปัญหาลาเขาอรดี ทำไมท่านไม่สู้กับอย่างอื่นท่านทำไมจึงไม่พูดไปสู้กับดินฟ้าอากาศสู้กับความความร้อนความหนาวสู้กับความทุกข์ยากลำบากอย่างอื่นนางตัญหาลาค้าอราดีนทำไมจึงมารบ ก, กวนท่านก่อนที่ท่านจะได้ตัดรู้ทำไมพญามารจึงมารบกวนท่านถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้ว สัรหาราคะอรดีก็คือทิเลสภายในพระไทยของพระองค์เองใจของพระองค์เข้ามานึกคิดขึ้นมาเมื่อนกคิดขึ้นมาแล้วก็ท่านต้องเอาทำธรรมะคือความในใจของพระองค์ออกไปต่อสู้คือสัจจะคือความจริงจัง และจริงใจที่มุ่งมั่นต่อสู้มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานของพระองค์เนี่ยเอาเอาชนะกิเลสพยามาลกับกิเลสโลภโกรดหลงลงได้ราคะโทสะโมหะลงได้นี่แหละอันนี้ถ้าเรานึกดูพระพุทธเจ้าขณะพระพุทธเจ้าท่านยังสู้กับกิเลสภายในใจของพระองค์เราเป็นใาร เราเป็นใครเราเหนือกว่าพวกกุฏเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นวันนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฝืนสุบแล้วไปสู้ฝืนเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่ากิเลสภายในใจของเราเนะ่ะความไม่พอใจของเรานะี่มันมีอยู่ในใจของเราจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างกินตามอําเภอใจนอนตามอําเภอใจพูดคิดตามอําเภอใจ เข้ามาบวชแล้วจะสบายอกสบายใจเลยโดยที่ไม่ฝืนโดยที่ไม่คิดกันกรองไตรตรองโดยเหตุและผลโดยที่ไม่ตัดขาดทางด้านจิตใจพวกท่านทั้งหลายอย่าหวังเลยว่าความสุขจะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับเราเข้ามาบวชก็เถอเหมือนกัะลมโซ่เอาไว้โซ่มั น, นยังคล้องอยู่กับต้นต้นของมันก็คื อ, คอ เป็นฆราวาสญาโจมอยู่ในบ้านในเรือนของเราโซ่มันมัดไปหยุดในต้นเสาบ้านอยู่ล่ามมาไว้มาอยู่ในวัดถ้าเราอยาจะได้ความสุขทางด้านจิตใจเราต้องตัดโซ่ตัดทั้งหมดอย่าไปคิดถึงเรื่องของฆราวาสเร้วอนี้เป็นเราเป็นอิสระเราเป็นนักพจนักบวช เราตัดออกจากคารวาดแล้วไม่ต้องคิดัดสลัดทิ้งเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมกษัตริย์ท่านยิ่งกว่าเราในอีกท่านจะตัดเราในคือใครรวยกว่าพระพุทธเจ้ามั่งมีกว่าพระพุทธเจ้าจุตหบรรดาสุขสูงส่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ เ, าเราทําไมถ้าเปรียบเทียบกันเลิกเหมือนกับขี้เล็บดำท่นเอง ที่สมบัติของเราการเป็นอยู่ของเราทำไมเราจึงไปติดไปคล้องไปแวะถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่โง่จนเกินไปต้องสอนตอนเองอย่างนั้นจากนั้นเรากต็ตัดที่ใจของเราอย่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราปฏิบัติธรรมเราศึกษาในธรรมธรรมะคำสอนโลกเอาไว้ก่อนเรื่องทั้งหลายทั้งโลกเอาไว้ก่อน เมื่อถึงกำหนดแล้วยังค่อยว่ากันอีกมิใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วก็จะเอาเรื่องทั้งโลกมาบดมาเคี้ยวเอื้องอยู่ทั้งวันทั้งคืนมาปุ่งมาฟุ้งมาซ่านอยู่เอากิเลสมาเหยียบย่าทําลายหัวใจของเราอยู่ตลอดอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นอยบพยายามนีออกจากทุกอกิเลสยังล่ามโซ่ไว้นันนเองเกี่ยวกับตัวเองมาอยู่ในพัดเป็นโซ เส้นมือมาแมดใส่เสาบ้านไว้อยู่เราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเราตัดโซ่ได้แล้วนั่นนะเราจะเป็นอิสระในการคิดในการเป็นอยู่เราจะนึกอะไรภาวนาอะไรเรื่องทั้งโลกก็คือโลกทั้งโลกมเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่เห็นเอาไปได้สักอย่างทำให้เราจึงเป็นห่วงไปห่วงหาอะไรถึงขนาดนั้น ถ้าเราไม่ง้อจนเกินไปอย่างที่ว่าสิ่งเหล่านี้สอนวิธีวิธีการแนวความคิดวิธีการปัดจิตใจพิทา ว, วิธีทำความเข้าใจกับใจตนเองวิธีเข้าใจกับตัวเองถ้าพวกเราทำได้อย่างนั้นแล้วนั่นแหละพวกเราจะมีแต่ความเจริญในธรรม พระในครั้งพุทธกาลพระในกรงสาวัตถีออกบวชห้าร้อยรูปพอบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญแต่ก็กลับมาอยู่ที่วัดป่าเชิดตะวันกุฏิที่รองรับพระนวกะหลังหลังเออ อยู่ทางมุมหลังของวัดป่าเชิตะวันถระห้าร้อยเวลากลางคืนก็ตรึกนึกคิดไปในทามกิเลตเพราะพรองค์รู้ท่านตรวจดูตัวอุวปหะเหล่านี้ตรึกไปในทางกามกิเลตหมกมุ่นไปในคิดไปในทางกามกิเลตท่านบอกให้พระอานอนท์ไปเรียก พระเหล่านั้นมาทั้งหมดมาประชุมพอมาประชุมเสร็จแล้วพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในศาสนาตถาคตเราสอนให้พวกท่านทั้งหลายเห็นโทษเรื่องการมักิเลตทําให้วกปนเวียนหมุนเวียนอยู่ในโลกภัตตสสงสารเรื่องกามตัวนี้แต่พวกเขาพวกท่านทั้งหลายทําไมจะมาตรึก ลึกคิดอยู่ตลอดพวกท่านเท่าไหนถึงไม่ทาไมตัดทำไมไม่ทาไมจึงไม่เห็นโทษบันฑิตในครั้งก่อนท่านเห็นโทษจะก่อนนะท่านจึงตัดออกจากกิเลสเหล่า ไ, ได้แต่พวกท่านยังเห็นคนอยู่พวกท่านจะห น, นีไม่พ้นพระ ที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข้าที่พระท่านตรัสออกจากกิเลสได้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัดของราชสมบัติท่านเสด็จไปอุทยานพอไปไปอุทยานแล้วไปเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งอยู่ใน อยู่ในสวนอุทยานตรงที่ประตูเข้าอุทยานท่านเห็นต้นมะม่วงตัว น, นั้นและท่านนั่งบนหลังช้างท่านก็เอามะม่วงหักมะม่วงออกมาจากนั้นท่านก็เอาเข้าไปในสวนอุทยานจากนั้นท่านก็แบ่งให้บริษัทบริวารของพระ อ, องค์ใครๆก็ไปริมรถพระโองค์มะม่วงตัว น, นี้รสอร่อยดีมันดีอร่อยดี ต่างคนก็ต่างชอบใจพอกลับออกมานะ่ยคนที่เห็นว่าพระเจ้าเป็นดินเอากอดนลยเนี่ยพอแล้ก็ออกมาต้นมะม่วงตัว น, นั้นเลยย่อยยับไปหมดปูยี่ปูยำไปหมดเลยมดหม ด, ห ม, ด, ห ม, ดมะม่วงก็หมดกิ่งก็หักย่อยยับไปหมดตรนี้พลาชาท่านเสด็จมาม า, มาถึง ท่านก็นเลยลงจากหลังหลังช้างท้าว่าจะดูดูต้นมะม่วงที่รถมันอร่อยไนะั่เป็นยังไงพอที่ไหนได้พอเห็นนะโอ้ท่านก็นมองดูต้นอื่นอีกบริเวณนั้นนะครับมองดูตัวนี้อีกมองอยู่นั่ยืนมองเออบริษัทบริวารนนะไม่รู้ว่าพกพระเจ้าแผ่นดินดูอะไรมองอะไรแต่ในใจของพระ อ, องค์ท่านพระ อ, องค์มองว่าอู ต้นมะม่วงต้นนี้ที่ย่อยยับเพราะอะไรเพราะมีผลเป็นหลักเพราะมีผลเพราะมีผลเป็นเหตุถ้าต้นอื่นเขาไม่มีผลมะม่วงไม่มีผลไม่ออกลูกต้นอื่นอยู่ข้างๆแต่ก่อนเขาดูๆแล้วไม่สวยงามเหมือนต้นนี้แต่ต้นนี้เนี่ยสวยงามมากพุ่มก็ดีใบก็ดีแล้วก็มีดอกมีลูกอีกต่างหากมีผลมะม่วงอีกต่างหากดูแล้วต้นมะม่วงต้นนี้สวยงาม แต่บัดนี้ต้นมะม่วงต้นนี้ชู้ต้นอื่นไม่ได้ต้นอื่นเขาสวยงามกว่าต้นนี้ปูยี่ปูยำกิ่งหักไปหมดฝนมะม่วงก็ไม่มีพระองค์ก็ยืนดูองคงธรรมสังเวชจากท่านท่านก็พิจารณาถึงอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาัตตาไตรลักษ์ปีน า, าเห็นไตรลักษ์ตัวไหนพระเจ้าแผ่นดิน เห็นอนันในจางคือของไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนที่เป็นทุกจะไปว่าตัวตนได้อย่างไรพระองค์สอนพระองค์ในใจเราเป็นอยู่เป็นพิเจ้าแผ่นดินเรามีลาบมียศมีสนะเสริญมีสุขคนทั้งหลายก็แย่งอยากจะได้อย่างเราก็แย่งข้าวฟันร่อนแทงป้น ลบปลาข้าวฟันกันลบข้าสึกกันแย่งประเทศชาติกันปมหากษัตริย์แย่งมหากษัตริย์แย่งประเทศกันเพราะอะไรเพราะราบเพราะราบเพราะยศเพราะสนะเสือ ร, ร์เพราะสุขต้นมะม่วงย่อยยับเพราะอะไรเพราะมีผลถ้าว่าเราออกสาราราชสมบัติสะเราไม่มีไม่มีอะไร เราจะมีความสุขมะเพราะไม่มีอะไรถ้าเรายังมีถ้าสะสมบัติอยู่ทั้งมีบริษัทบริวารอยู่ใครๆก็อยากจะแฉแย่งชิงราถ้าสบัตหลังที่เราเป็นทุกอยู่ทุกวันนี้เตรียมถังหงเตรียมทหารเตรียมอุ ป, ปกรณ์ต่สู้รบตกสึกอยู่นี่เพราะเรามี เรามีราบยศชนะเสร็จสุขแต่เราสละไปจคะอยู่ตามลำพังเพราะสิ่งอานี้นมันไม่เที่ยงสิ่ง น, นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยู่แล้วเราเอาไปด้วยไปได้สักอย่างทำให้เราจึงมาสนใจอยู่อย่างนี้เห็นไหมต้นมะม่วงต้นนี้ที่ย่อยยับไปเพราะอะไรเพราะผลของมันเราอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องย่อยยับเพราะ คนทั้งหลายพระเจ้าเป็นดินลูกหอวเมืองต่างๆถ้าไม่พอใจก็คงจะมาลุ่มเหมือนกนระตนมาห่วงตัวนี้พระองค์ก็ยืนดูขณะนั้นได้สำเร็จตัดรู้เป็นพระปัจเจตพุทธเจ้าท่านเห็นอันิี้จังพระประัจเจตเห็นอันิจังทุกขังอันั้ตาท่านได้ตัดรู้เป็นพระปัจเจตพุทธเจ้ายืนอยู่ที่นั่น ไปยืนที่นั่นจากนั้นมาท่านก็บอกว่าอํามาศผู้ใหญ่ก็เลยว่าพระพุทธองค์พร ะ, พระเจ้าข้าพระองค์ยืนอยู่นานแล้วเขาเชิญเสด็จกับพรนครพระเจ้าข้าพระเจ้าไป่ดินอบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเราเป็นปัจเจกพุทธะอํามาศคนนั้นก็กราบทูลขึ้นว่าปัจเจกพุทธะ ต้องปงผมพระเจ้าค่ะต้องมีผ้ากาสาวะผ้าย้อมฝาดมีอัฐบริขารอันนี้คือปตผาปตเจกแล้วปไปอยู่ถ้าบนเขาคันธมาตป่าหิมะพานเป็นกลุ่มพระปตเจอันนี้พระองค์จังเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่พระเจ้าค่ะพอพระเจ้าเป็นดินได้ยินเท่านั้น ท่านก็นตั้งจิตอธิษฐานรูปศีรษะของท่านผลของท่า น, นล่วงหมดเลยจากนั้นบริษาทก็ลอยมาลอยมาสวมท่านท่านก็บอกเนี่ยเราเป็นปัจเจตพุทธะแล้วนะเราสละอาสสมบัติแล้วพวกท่านกลับไปเราจะไปตามลําพังแต่น้ำพระปฏิเจกิเขาหอ่อไปอยู่ตามลําพังกับกลุ่มพระปฏิเจตพุทธเจ้า นี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าพวกท่านจะตึกตรองยินดีเรื่องการมัคิเลกับเหมือนกับต้นมะม่วงที่มันมีดอกทั้งที่มันที่มันมีผลผลน่า แ, แล่มันฆ่าตัวเองถ้าพวกท่านทั้งหลายยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่นั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแนหะจะฆ่าพวกท่านเองเพราะท่าท่านทั้งหลาย ต้องพิจารณาดูให้ดีให้เห็นโทษถ้าพวกท่านไม่เห็นโทษพวกท่านจะไม่พ้นจากโทษพวกท่านจะอยู่ปุ่ น, นอยู่ในโทษเนี่ยเมือ่อพระองค์ได้ตรัสให้ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นก็ต่างองค์ก็ต่างได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละในเรื่องนี้พระองค์ได้แสดงธรรมอยู่วัดป่าเชตตะวัน มหาวิหารตอนกลางดึกที่พระสงฆ์ทั้งหลายที่พระหมวดใหม่ตรึกตรองถึงเรื่องการมักกิเลสที่เคยผ่านมาที่เคยพบมาแต่พระองค์ก็ให้สอนให้เห็นโทษว่าการนึกคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องในขณะที่เราเป็นพระเราควรจะคิดใหม่เนี่ยสรุปแลือคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, ทเจ้าเนี่ย ท่านเน้นหนักเรื่องความคิดท่านมาดิน เ, นนเน้นหนักเรื่องกายกายเนี่ยคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิณถ้ารักษาใจดีแล้วกายก็สํารวมเองวาจาก็สํารวมเองดีไปเองถ้าใจของเราออกนอกรูนอกทางแล้วนั่นหละ่ะอีกสักวันหนึ่งกายก็จะออกนอกรูนอกทางวาจาก็จะออกนอกรูนอกทางเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่มาบวชในคราวนี้ในครั้งนี้ให้ม่เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรมให้เป็นมู่ผู้มุ่งมัม่นในศีลในธรรมสิ่งไหนที่เป็นศีลเป็นธรรมให้พวกท่านทั้งหลายใส่ใจสนใจปฏิบัติธรรมอย่าสงจิตสงใจออกทางนอกจนเกินไปถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจในธรรมนั่งภาวนาอย่างที่ผมบอก ราชการเขาทํางานเขาทําวันวันละแปดชั่วโมงเขาทํางานแต่เรามาปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิโดยถึงกลมนั่งสมาธิภาวนาวันละห้าชั่วโมงได้ไหมถ้าได้แปดชั่วโมงก็ดีถ้าไม่ได้ก็ได้ห้าชั่วโมงก็ยังดีสองชั่วโมงก็ยังดีเนีอย่างร้อยวันยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ ได้สี่ชั่วโมงก็ยังดีพวกเราได้คิดไหมจุดนี้มิใช่ว่าวันไหนกับวันนั้นเช้าไหนกับเช้านั้นกลางวันไหนกับกลางวันนั้นเออละเหยลอยลงไปเรื่อยแต่ละวันแต่ละเวลาแปลว่าพวกเราขาดความสนใจความขาดความใส่ใจในการต่อพุทธปฏิบัติไม่น่าจะถูกต้องเพราะทานอาหารเขาทุกวันอาหารที่ให้เขาให้มา ล้วนแล้วแต่สุดตกสุดใจเขาเข้าที่ที่ให้มาเขากินเขาทานยังไงเหนือกว่าที่เขาทานผมเคยพูดอยู่เสมออาหารดีๆผลไม้ดีๆของที่ดีๆเขาไม่กล้าใช้ไอ้ของดีๆมาถวายพระทำบุญกับพระเขาอยากจะได้บุญแต่พวกเราไดทานไ ด, ได้ใช้ของเขาโดยแก่จิตใจของเขา เราได้คิดบ้างหรือเปล่ามันคุ้มค่าของเขาไหมที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้ให้พวกเราคิดนะถ้าพวกเราเป็นพระเป็นสมณะเป็นพระกรรมฐานโดยแล้วไม่คิดใครจะเป็นคนคิดถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทำใจให้สงบติดทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้งบสงบน่งได้ ในละบุญกุศลของเขาที่เขาได้ทําบุญกับเราบุญกุศลของเขามหาศาลเพราะได้ทาบุญกับพระเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรงธรรมได้เพียงสมาธิเท่านั้นเขาก็ได้บุญกุศลมากมายแต่ถ้าว่าพวกเราแต่ละวิตวแต่ละวันมิตะปลอจิตปล่อยใจเอ่อละเหยลอยลมไปเรื่อยมิจะเลื่อนโรคเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมิตะเรื่อง โลภโกดหลงป่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาทําบุญให้มากันะพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าเขาจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนกับเราที่เราได้ทานอาหารของเขานั้นคุ้มค่าไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมที่เราทําอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราโอปนัยโกมองตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าพวกเรามองอยู่อย่างนี้แล้วนั่นแะพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวการพูดจาพาทีกับใครการแสดงอากับกิยากับใครเราจะเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเป็นสากไยะบุตรอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกอย่างนั้นแล้วคิดออกนอ ก, นอกลูก่นอกทางอย่างนั้นแล้วต่อไปกายวาจาของเราก็จะ แข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆพูดจาพาธีอะไรออกไปก่อนไม่เป็นที่เคารพรับถือเลื่อมใสของผู้คนที่มาพบมาเห็นพวกเราฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ผมบอกกล่าวทั้งนี้ทางนั้นอาจจะจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วอย่าได้เสียเที่ยวเสียทีอย่าได้เปล่าเปล่าประโยชน์ในการเข้ามาจะเป็นโมคะภิสูุอย่างที่ว่า พระพุทธเจ้าบองโมฆะพิสุคือเป็นผู้เปล่าประโยชน์ในการบวชเสียเวลาทั้งสามเดือนนั่นเปล่าประโยชน์อีกขาดทุนอีกต่างหากเพ้อเพ้อยังเพิ่มเพิ่มบาปกรรมเข้าไปอีกต่างหากเข้ามาแล้วกิประพฤติตนไม่ดีอีกขาดศินเข้าไปแล้วขาดทำยังไม่ได้ยังขาดสินอีกแล้วเป็นยังไงผลมันออกมาเห็นที่พึงพอใจของเราไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พวกเราทุกๆท่านคิดพอเราเป็นพระพระของพระพุทธเจ้าพระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระของพี่น้องประชาชนพระสหธรร ม, มิกทั้งหลายเราเป็นพระเป็นศาตรระยบุตรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร ให้เป็นผู้สำรวมในศีลจากนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ให้ภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ผมเคยย้ำแล้วย้ำอีกสติตัวนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่มรรคนิพพาน มีสติสัมปชัญญะถ้าพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าคนเป็นบ้าเจ้าโถวเจตีในกลางถนนจะให้มาจับให้นั่งนั่งภาวนาคนขาดเจตีนะพวกท่านว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าคิดดูเฉยๆก็อย่างนี้ก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่พวกเราขาดเจตีจะพิจารณาธรรมให้เจริญก้าวหน้าได้ไหมมีแต่เรื่องตึกเครื่องตรองเรื่อ ง, อ ง, องไม่เป็นเรื่องอย่างที่ผมพูดด ที่พูดที่กล่าวมามันไม่เอาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนั้นเราจะนํามาพิจารณาให้อยู่กับพุทธโธให้ได้ไหมก็ไม่ได้ในเมื่อไม่ได้อย่างนั้นจะเจริญไหมในธรรมก็พูดได้เลยอีกเหมือนกันว่าไม่เจริญในเมื่อไม่เจริญ nữa, แล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องตั้งป้นใหม่ หันเข็มทิศใหม่หมุนใหม่กลับใหม่กลับลำใหม่ให้มีสติอยู่กับตนเองข้าพระเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดวันนี้แต่ละวันจากนี้ไปถึงเวลานะั้นเราจะให้มีสติอยู่กับตวเองให้มากที่สุดนี่แหละอันนี้คือเมื่อเรามีสติอยู่กับตนเอง การก้าวเดินการเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่ตามลําพังเราจะนั่งสมาธิเราจะเดินจงกลมก็มีสติสัมปชัญญะละเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองความสงบเมื่อเราเตรียมพร้อมเรื่องความเตรียมพร้อมของเราลวดเหตุมันพร้อมแล้วผลมันออกมาเองเราไม่ต้องเราไม่ต้องหวงผล เมื่อเหตุมันมีแล้วถ้าเหตุมันสมบูรณ์แล้วผลมันออกมาเองแต่ถ้าว่าเหตุมันยังคิดปรุงฟงซ่านอยู่ทางขี้เกียจเภาในต่างหากและจะให้จิตสงบเหตุมันเหตุมันไม่มีผลมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาอย่างนั้นไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องมีเหตุสักกนเหตุดีผลก็ต้องดีเมื่อเราทำเหตุใส่ใจในเหตุดูแลเหตุ ปฏิบัติเหตุให้ถูกต้องจากนั้นผลก็จะตามมาตะงนี้ผลตามมาคือจิตสงบและเราก็จะได้ริมรถแห่งความสงบเมื่อได้ริมรถแห่งความสงบแล้วต่อไปเราก็รู้ว่าวิธีจิตสงบนั้นทํำยังไงเริ่มยังไงมันเข้ายัางไงมันออกอยังไง จนชำนิชำนาญในความสงบได้หรือว่ากำหนดใจพวกมันก็อยู่ได้เลยมันไม่ปุ่งออกไปข้างนอกกําหนดดูใจของเราก็อยู่กับตัวเองจากนั้นเรานํานมาพิจารณาทางวิปัสสนาวิปัสสนึกวิปัสสนาแล้วก็กันกลองไตรตรองโดยดูร่างกายของเราเราจะมองอหไเราจะมองอสุภะร่างกาย มองชิ้นเนื้อหรือเราจะมองภาพรวมมองมองภาพรวมก็เห็นคนเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเห็นคนแก่คนแก่เป็นยังไงเราจะแก่เหมือนคนแก่นั้นไหมทำไมก่อนเาก็เป็นหนุ่มแน่นอย่างพวกเราแต่ต่อไปเนี่ยเขาแก่ต่อมาแล้วเขาโคตเจ็บต่อมาเขาโคก็ตายเห็นคนตายไหม เราเห็นคนตายไหมที่เราไปมาติกาบางสกุลไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่เราเนี่ยจะตายไหมเราจะเป็นใครเราจะไม่ตายอันนี้ก็คือเปรียบเทียบนอกแล้วก็เปรียบคุมาฮาตุนเองจากนั้นจะเห็นโครงกระดูกนที่เขาชําระจำแลงที่พวกเราได้เห็นลูกโครงต่างๆที่ รถเฉียวรถชนอะไรก็าตามที่เราเห็นเห็นอยู่ที่เขาลงมาในหนังสือตัวทั้งสีของหลงตาที่เขาเอามาให้เราดูให้พวกเราพิจารณาสุภาษเราพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีใครปฏิเสธได้พร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเขาคนนั้นเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่เขาเป็นไปไปแะเป็นไปแล้ววิญญาณจิตวิญญาณเข้าไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหน เขาทิ้งทิ้งแต่ร่างของเขาให้พวกเราได้เห็นโอ้หน้าเจ้าจดสยองหน้ากลัวเห็นแล้วแต่ใจของเขาออกจากร่างไปแล้วแต่เรานะยังมีจิตใจอยู่ร่างของเรายังอยู่เราก็น้อมร่างกายของเขามามาตัวของเราอีกสักวันหนึ่งถ้าเผื่อเป็นอย่างเขาเราเป็นอย่างเขาเราจะเป็นอย่างไง ใจของเราจะทำยังไงเราคิดยังไงมันน่าจะคิดดูให้ดีนะร่างกายมันเป็นของเราใช่ไหมขนาดร่างกายยใจของเราเป็นอย่างนี้แต่อีกสักวันนมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายมันบังคับไม่ได้มันพร้อมที่จะเป็นสู่ใ ต, ตรักอันนี้จังของไม่เที่ยงเมื่อท้องไม่เที่ยงเสียงมันก็เป็นทุกข์อนัตตา อันนี้คือร่างกายของเราเราจะพิจารณาดูภาพ ร, รวมเปรียบเทียบ ก, กับสัตว์สาราสิงหมูหมากาไก่ที่รบหายตายจากครพวกสัพพสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วก็น้องมมหมาตัวเองเปรียบเทียบ ก, กับตัวเองอันนี้ก็คือกรรมฐานนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเรานำมาพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นธรรม จากนั้นเมื่อพิจารณาถึงแยกเข้าไปสู่ข้างในกําหนดตัวอู่ข้างในเหมือนกับเราเห็นเขาชำแหละเนื้อสัตว์อย่างนั้นอพวกหมูหมากาไก่ที่เป็นอาหารของเราอีกสักวันหนึ่งถ้าเขามาชำแระเราหรือชำแระอาจารย์ใหญ่หรือชำแลาายยหำและใครก็ได้เอาชำแหละร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหม มีตับมีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดอยู่ในนั้นใช่ไหมอันนี้สื่อการเปรียบเทียบอีกเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่แพ้กันกับเขาจากนั้นมาพิจารณาถึงกระดูกร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกที่อยู่ข้างในถ้าคนเราไม่มีกระดูกอยู่ข้างในมีแต่หนังมีแต่เนื้อ มันก็เหมือนกับถุงกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าน้าํามันไม่มีรูปร่างก็เหตุออไรเพราะไม่มีกระดูกอยู่ข้างในในเมื่อเราเป็นอย่างนี้กระดูกของเราเนะี่ยอยู่ข้างในเนะนี่แหละที่เป็นเราอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ากระดูกมันอยู่ข้างในในเมื่อกระดูกอยู่ข้างใน มันก็เป็นลูกโครงสร้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นกันอันนี้คือโครงโครงกระดูกอยู่ข้างในโครงกระดูกอยู่ข้างในมีอะไรบ้างเอออันนี้เราก็นำมาพิจารณากาหนดดูเถอที่มันอยู่บนศีรษะของเรานี่มีสมองมีกระโหลกศีรษะไปยังไงกดูกระโหลกเขาตัวเองอีกดูขาขันไกลอีกดูฟันอีก กูกระดูกคอยกระดูกให้ปารากระดูกให้ลงไปกระดูกชี้โครงเห็นกระดูกตัวเองอีกร่างกายของเรามีโครงกระดูกเป็นหลักถ้าเราไม่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในเรากรดร่างกายขอมีแต่หนังอย่างเดียวหุ้มอยู่กระดูกเอออกหมดแล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนกระถ u งหนัง นอนอยู่กับพื้นกระลุกกระลิกไม่ได้มันมีแตน่น้ำมีแต่เนื้อสิ่งเหล่านี้ให้พวเราเปรียบทเทียบนอกเปรียบเทียบในนี่แหละวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือวิปัสสนึกนึกคิดหาเหตุผลแล้วนึกคิดหาเหตุผลเรนได้อะไรในการนึกคิดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์นั่น嘛เมื่อเรานึกคิดอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราไม่เบื่อหน่ายมากก็ต้องเบื่อหน่ายน้อยไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยไม่ยึดไม่ยึดติดในร่างกายจนเกินไปเพราะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่จะต้องลงสู่สภาพดินน้ำลมไปต้องเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ในเราเมื่อเราคิดดูให้ดูดีดแล้วเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบหน่อยแล้วจากนั้นก็ดูตนเองอยู่ตลอดจากนั้นใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนเองแล้วสิ่งอื่นละ่ะในสมบัติส่วนอื่นละ่ะที่นอกกายจะเป็นรถฐามนตราศจะเป็นญาติพี่น้องวงศาติโกติกาใครครก็าตาัก ที่มาเกี่ยวข้องเราก็จะรู้ได้เราก็จะรู้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันขนาดร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงอันนี้เราวางตัวของเราถูกแล้วพิจารณาตัวของเราเป็นธรรมแล้วปล่อยปล่อยวางที่ตัวของเราแล้วส่วนอื่นมันปล่อยไปหมดมันปล่อยมันรู้จักรู้จักการวางตัว ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะจากขนาดไหนจึงพอเหมาะสมในการเป็นอยู่เพราะเร า, เ, าเป็นพระจึงนี้หรือว่าเราได้พิจารณาการกลองไตรตองเหตุผลแล้วมันเอาไปไม่ไปั่วไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเราไปแบกก็เท่านั้นเราไปทํำคมชั่วก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรม แต่เมื่อเราทำได้อย่างนั้นใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็ยนผาสุขลึกๆพอเราปล่อยวางจากนั้นก็ดูใจของตนเองดูความนึกคิดของตนเองอีกทีนึงใจอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นนะใจสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของเรานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจิฟังถาวรนะใจ พอใจเห็นจะนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังขนะตาปล่อยกระทั่งใจปล่อยใจวางที่ใจธรรมะไมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจที่มันยึดตัวเองคือยึดใจยึ ด, ยดใจหลงใจใจหลงตัวเองในเมื่อเราทำความใจในเมื่อเราทำความใจกับใจใจรู้แจ้งเห็นจริงใจเบื่อหน่ายคลาใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วกันนั่นแหละความบริสุทธิ์จุดพ้นก็อยู่จุดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านบวชเข้ามาในครั้งนี้ถึงจะไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็ให้ได้ริมรถแห่งความสงบก็ยังดีแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาแล้วอยู่เป็นวันๆโตโตเต๋ๆไม่ได้ทั้งอกตั้งใจมันน่าเสียดายเหมือนกันนะมันเปล่าประโยชน์ เป็นโมฆะบวชเข้ามาเป็นโมฆะถึงพวกเราจงเข้ามาบวชอยู่ในวัดยังล่ามโซ่ติดเสาบ้านไว้อยู่เพราะนั้นเราต้องตัดตัดโซ่สลักโซ่ตรวนไว้ก่อนให้เป็นอิสระแนวความคิดให้ตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจสังสมพูนงามความดีให้ได้รับความสงบ เมื่ อ, อได้รับความสงบนัตติสันติป ร, รางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็จะเกิดขึ้นในกายในใจของพวกท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเข้ามาทั้งทีเขามาบวดในพระพุทธศาสนาทั้งทีอยู่ด้วยกันทั้งสี่สิบพระองค์อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอย่าได้ พอแท้อ่อนแอการเป็นอยู่ของนักพจนักปวดก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะนั้นเราเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาเพืพ่อเป็นนักพจนักปวดก็ต้องต้องตัองอต้งใจไม่แพ้กันผมกนอย่างมุกพวงพุ่งเปื่อนมุกพวก้พวนเหมือเหมือนกับผมแต่พอสําคัญเรื่องจิตจภาวนาจะให้ขาดตกบกพร่อง ในการเป็นอยู่ในการบวชของเราในครั้งนี้ส่วนอื่นจะขาดตกบกพ่องไม่เป็นไรการอยู่การชิ้นการทานใต้บางได้บางเสียบางอะไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาถึงจะเลี้ยงอิน่นี้พีมันขนาดไหนก็เถอะอย่างที่ผมเคยพูดแล้วโพูดอีเลี้ยงร่างกายนะี่ยมันไม่หนุ่มไปข้างหน้า อ, อยู่ไปถ้าเราแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปก็ปถึงจุดจบเลี้ยงพอประมาณ อย่าให้เกินไปอย่าเป็นทุกข์กระมอนจนเกินไปในการอยู่การฉันในการเป็นอยู่ของเราถ้าพวกเราอยู่รู้จักประมาณตนแล้วพวกเราจะมีแต่ความสบายใจเย็นใจอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้แต่อยู่ตามลําพังอย่าไปพูดจะไปคุยอย่าไปสนทนากันจนเกินไปอย่าไปคุกครีจนเกินไปการคุกครีนคำว่าคุกครีตีมุมงงกัน มันไม่ใช่เรื่องของพระของสมณะของนักบุตรให้อยู่ตามลำพังต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างประพฤติธปฏิบัติธรรมนั่นล่ละความร่มเย็นผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายการพูดการแน่แนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ